ธรรมะหรืว่าการภาวนาไปในตั กาธรรมะจการปฏิบัติไปในตัวก็สงบจิตอยู่ในจิตของตัวมันจะ ส, จะสงบมันสงบยังไปมันไม่สงบไปยังง น, น, นั้นไปเกี่ยวข้งกับสัญญาเรื่อนอื่นนี่เป็นเรื่องทางธรรมะถ้าัถูกต้องจิตของเราได้รับความสุขความสบายความสงบ เพราะธรรมะคือกาะแสดงในแสดงออกไปจากที่อื่นแสดงอยู่ในกายในใจเท่านั้นผู้ฟังก็ออกกายออกใจฟังมันต้องไปคิดยุง่งเก่งยุ่งใหม่ความจริงคนผู้มีธรร ม, มะกม็เหม่อนกนธรร ม, มะเพราะก้อนถาดขันของเรา พุทตเจาถือว่าเนธรรมะวุตธรรมหมายถึงก่อนอันนี้ที่เรามองเห็นโดยตานามธรรมหมายถึงสิ่งที่เรามองมาเห็นโดยตาเช่นเดชนาสัญญาสังขารลิญญามีเป็นนามธรรมแต่จึงเหล่านี้ก็ไม่มีอยู่ที่อื่นไม่อยู่ที่จักของเราเท่านั้นอยู่แดงธรรมะก็แดงสิ่งเหล่านี้ สิ่งเหล่านี้มาแสดงให้ท se <in> ี่สะดับล <in> ักร <in> ับฟังที่เจนากันเพราะสิ่งเหล่านี้ปกติที่เราเกิดมาดีดามันดาในเคยแม่สอนว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาสิ่งเหล่านี้เป็นปฏิกูนสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์ทางเคยสอน เรื่องอะเอียงก็ไม่เคยสนใจที่จะนาภายในเกิด น, นั้นดูในธรรมะแต่ในรู้ธรรมะแต่อะไรเป็นธรรมะอะไรเป็นกิเลสปัญหามันจริงๆลำบากจะไปฟังธรรมะจะไปประพฤติธรรมะต้องคิดว่าเข้าไปในตาในเขาะครูหาอหาจารย์จะฟังธรรมะตองเปิดพยุพยพุ ดูตาำราตำราอ่านเนี่ยคือธรรมะเขาจะลัดธรรมะดูตามถ้าไปที่บดยู่สถานที่อื่นเพราะเราเมื่อที่เจอนาในสมาความจริงธรรมะก็คือตัวของเราจะพูดพระเจ้าหรืออริยะสงฆ์ที่ทันได้ธรรมะเห็นธรรมะก็คือเห็นตัวของท่านตามสภาพความเป็นจริงของมัน ก่อนอันนี้ธาตุขันอันนี้จิตอันนี้มีทรรมะมีกิเลสปัญหาเกี่ปนกันอยู่ไม่ใช่หอมีแต่ธรรมะอย่างเดียวอย่างกิเลสปัญหาคือคนละคนอยู่นี้คือเป็นสติปัญญาวิชาิมุขที่เป็นทางมรรคทางผลมีอยู่นี้กรณีอยู่ที่อื่นอย่างอภิธรรมขันตาวัยอภิธรรมก็คือธรรมยิ่ง ให้กบฎไมเขาคืออื่นตจากฉัทารู้ตัดันโทก็หมายถ่งรูปตขันเวทนาขันนี่แหละรูปตขันก็หมายถึงรูปร่างกายเวทนาขันก็คือจิตทุกข์เฉยๆตัณญาขันก็คือความําได้หน้ารู้ต่างๆฉันขานขันคือความปุงของใจอินญาขันคือสิ เรารู้จากมือจากตาที่ไปกระทบรูปเสียงต่างๆรู้ขึ้นว่าสิ่งนั้นเป็นอันนั้นสิ่งนี้เป็นอันนี้หรือคือวิญญาณขันต์แต่เราพิจารณาเรื่องเหล่านี้ขณะเป็นเรื่องที่จะรายาอาธิธรรมคือคือเจรณาทำผิดนะยิ่งยิ่งอย่างไรทำส่วนนี้ ยิ่งคือผู้ที่เจอมาตามความเป็นจริงแล้วจะหน่หลงหนุ่ยหลงคิดจริงนุ่ยหลงติดข้องหนุย่ยหลงเถื่อนเคนหนุนหล้เ ห, ง, หงืหงื่อในเรื่องต่งตงางๆให้เราเองเกิดทุกข์เกิดความมั่นหมายเย็บติดในสิ่งเหล่านี้เพราะสิ่งเหล่านี้ปกติของมัน หาดฉันอันนี้มันไม่มีอะไรที่จะหนาเหลงไหลหรือเถิดเ ท, เทินขูดพึ่รูปทั่วไปหากไม่มีจิตรูปเราทัานก็บเนื้อกันกับรูปที่เราเห็นเป็นที่ไม่มีวิญญาณจึจว่าถอนไม้่อนฟืนหรือ ก้อนยิ่มก้อนหินต่างๆมันในตัวอะไรในตาอะไรในใจที่ไหนมันเกิดขึ้นมาก็มีหน้าที่จะ่าแปรปรวนและแจกสลายท่องมันอย่างนั้นไม่มีอะไรที่จะไปรักไปเกิดเพลินไปลืมหลงเราจะลืมหลงกับมันมันก็ไลืมหลงกับเราเราเกิดเพลินเท่าไรฟังแฉมันก็ไหลมาอยู่ทุกการทุกเวลา ความเกีความตายก็เหงื้นกันแต่นั้นเพื่อที่จะมาคาดขันอันนี้จึงมีทางเข้าใจตามเป็นจริงได้ความจริงมันมีอย่างไรเมื่อใจเรารู้จักชัดเจนก็ไม่เกิดทุกข์เขีเราทุเพราะสาเหนความจริงอยากจะให้ใจิตใจตามใจของตัวชอบใจถึงมีกิเลสปัญหาจึงจิตใจถึง ไมนมีเงื่อนชอบติดชิดจึงห้ามตั้งสิ่งที่เป็นจริงอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เกิดทุกข์ขึ้นเมื่อพิจารณาถาดขันเฉินนี้ให้เห็นตามเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้หน้าที่ของเขาเป็นอย่างไรเขาเป็นไปอย่างนั้นถึงใครจะห้ามตั้งแหนสอนขนาดไหนมันก็ไปไม่เป็นไปตามศาสนาฉันจึงว่าอนัตตาคือไม่ อยู่ในการบังคับบัญชาทั้งใครหน้าที่ของมันเป็นอย่างไรเมื่อก่อเป็นไปอย่างนั้นมีการพิจารณาขาดขันการพิจารณาตัวเองเนื่อพิจารณาตัวเองเข้าใจรู้เห็นเดินไปจับเรื่องการละโลกถอนโลกการข้ามโลกในตรงไปข้ามที่อื่นข้ามที่จิตที่ใจของตัวเอง ละเองถอนเองโลกอื่นไม่เป็นปัญหาสาคัญเท่ากับโลกใจท้องตัวใจทองตัวที่ลืมหลวงตัวเองนี่แหละเป็นเรื่องสาคัญหากรู้จักเรื่องทองตัวทั่วถึงชัดเจนแล้วเรื่องอื่นซึ่งเป็นรูปกว่าดีนามกว่าดีมันเหมือนตจันมดเนาะมันเหมือนตจันมดมันเป็นมือหลง เราเป็นอย่างไรสัตว์บุคคลทั่วไปเป็นอย่างนั้นอดีตที่ผ่านมาไงบา้าจีแยนจีล้านจีก็เป็นอย่างนี้อนาคตที่จะไปทางไหนก็เหมือนกันจะไปลื่มหลง เ, เพิดเพลินอะไรอีกแปัจจุบันเราเห็นเราเป็นอย่างไรเราสร้างอยู่ในใจของเราพอเราไม่ปิดใน่คล้อง เราละเราถอนโดยความรู้ความเห็นตามจริงๆของมันนี่คือการปฏิบัติจิตใจให้เขาถึงธรรมเมื่อเขาถึงธรรมใจเป็นธรรมเราอยู่สุกอยู่สบายทำรักษาคุ้มครองไม่เห็นเราตกไปในผิดชั่วความชั่วต่างตายที่เรียกว่าบาปอย่าฝืน ในเกิดขึ้นในจิตของคนมีแต่สุขนีแต่ความดีเกิดขึ้นเหวีก็ดีได้ยินก็ดีไม่มีอะไรที่จะทำให้ใจเกิดทุกข์เพราะใจเป็นธรรมทำรักษาใจที่จะมารอบพั่วไม่มีอะไรที่จะ ลุ่มหลงไมมีอะไรที่จะติดข้องไมมีอะไรที่จะเฉลียงใสนี่คือการพิจารมากายใจพิจาราขาดขันสู่ผีพิจามณาดยูนี้ถ้าพิจาราไปตามทรรมนองคองทำใจจะรู้เห็นเยือกเยินสงบสุขถ้าพิจามณาตรงกันขามพี่จะมาไปท้งโลกก็ไม่ใช่เรื่องอื่นที่จะติดข้องใส่มองเกิดทุกข์เหลือร้อน แต่ว่าสิ่งเหล่านี้ในนี้อย่างอื่นจิตที่เนผิดจิงผิดเพลินผิดจิตผิดจิ้องในสิ่งที่ไม่ิรังอัางเว็นกว่าเป็นกิรังอย่างเย็นสิงที่เป็นทุกขว่าเป็นสุขิ่งทน่าที่เหม็นจปฏิปุนว่าสวยงามนี่คือที่จะมาตรงข้ามจากหลักของอดท้องธรรม ถ้าพิจารณาเป็นธรามมันเป็นจริงอย่างไรพิจาราลงไปอย่างนั้นใจฝู่ถือที่เมื่อพิจารณากละก็ถอนก็เหยียบก็เย็นการพิจเจณาจึงเป็นเรื่องสาคัญผูกประพฤติธรรมจะต้องพิจรณากายใจองตนโดยต่อไปพิจารณาอื่นดูกายดูใจองตนถ้าถือถึง เรื่องกายใจท่องตนแล้วเรื่องอื่นถั่วโลกมันหมดเพราะพระพเจ้ า, า, จาข้ามโลกดับโลกทั้งสามตามมาโลกรู้ไปโลกอรู้ไปโลกทำไมไปดับที่อื่นถ้าดับที่อื่นกับโลกผัวไปไปนี้คือสิ่นที่อาศัยทำดับในพระทยในดวงใจทของท่านโลกทั้งสามมันดีนี้ที่เวลานี้ดับนี้ โลกทั้งสามที่ใช้มุมั่นหมายกัานมันก็ดับเองคือดับในจิตในใจของท่านแต่โลกสามของคนอื่นดับอื่นท่านไม่ไดดับแล้วแต่สัตว์เหล่านั้นจะเชื่อมากันดับของท่านดับของตัวเองถ้าหาท่านดับได้ท่านจะดับให้หมดไม่สัตว์ในบุคคลเกิดความทุกข์ยากลำบาก หลุ่มหลงเม่อเมานี่ท่านดับในบ้า้คาสอนของท่านวางไว้ก็เป็นแนวทางที่ให้พวกเราซึ่งเปิดมาสุดท้ายภายหลังได้ศึกษาที่มิจฉาณแส่ไขจิตใจท่องเต็ี่ส่งจรงหลุ่มหลงต่างๆทางผิดพิจารณาเสียไขจิตใจท่องเต็มี่สิ่งจริงหลุ่ลูต่าอะไรเป็นอะไรณาเสี อะไรเป็นคนเป็นสัตว์อะไรเป็นเราเป็นของของเราถามดูสอบดูทุกสิ่งทุกส่วนตามันว่าเป็นตาไหมว่าเป็นของเราไหมมือมันว่าเป็นเราไหมจมูกลินมันว่าเป็นเราไหมกายมันว่าเป็นเราไหมแขนขามืเท้าต่างๆมันว่ามันเป็นเราไหมถามมันดูมันไม่ตอบ มีแต่เราไปรักเขาแ ต, แต่เขาไม่รักเราหน้าที่ของเขาเป็นอย่างไรเขาเป็นไปตามหน้าที่แต่เราไปหลงไปยึดไปคิดไปจุง้งว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เวทานาก็เหมือนกันท้หากเกิดมาเป็นศาสตร์เป็นบุคคลมีชีวิตแล้วเรียนนานั้นมันจะต้องมีความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยหนูมั น, นมีประจันถาดประจันขัน กั่วก th ch ันทั้งหมดไม่ใช่ว่าจะมีแต่เราคนเดียวพระพุทธเจ้าก็มีแต่เรารุ่มหลงเรื่องของเวทนาแาบของเราเราเป็นเวทนาเวทนามีในตัวของเราเรามีในเวทนาความเข้าใจมั่นหมายคิดเป็นอย่างนี้มันเป็นจบกติของจิตที่ยังไม่ได้ศึกษายังไม่ได้ชำระ เป็นการเที่ม่ถ้าหากศึกษาสำราญจริงจังจะรู้จะเขา้าใจว่าลูกกาดีเวลาสัญญาสังขารดินดานก็ดีอันนี้เป็นขันอันหนึ่งไม่ใช่เรื่องของจิตจิตไม่นในช่เรื่องเหล่านี้แต่ให้เห็นให้เข้าใจ้ดยตัวองตัวเองอย่าไปจำไปหมาย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 ความเกลียมันเหน่ตายความตายผู้ตายมันเหน่ยเกลียอะไรตายที่เราจะมุดหมังไมายก็คือการหมดลมหายใจธาตุขนอันนี้แหละเท่ามันตายมันตายแล้วจะไปถิ้งตาอช้าไปสังไปเผามันเหน่เกลียอะไรทิ้งลงน้ำโดนไปไไม่มีดิ้นหนีหนีคือผู้ตายมันเหน่ยกลียอะไรแต่ผู้กลัวมันเหน่อยตายถ้ามันตายมันยังมีโอกาสที่จะ ไปเกิอ ด, ด, <c oughs> ดอีกจะเป็นสัตว์เป็นม น, นุษย์เป็นเทวดาบุตเทวดาสิดาอินทรมหรือนิพพานเป็นไปไหนได้ถ้ามันตายมีมันไม่ตายถูกกลัวแต่ถูกตายมันไม่กลัวแวเราไม่ดิ้นพิจารณาแนนอนก็เลยกลัวกันที่ไหนมีป่าช้าของจิตฝันฝัอเผาของจิตไม่เคยมี ถามมันตายโดยตามถาตามขนมันมันหนึ่งมีเกิดอีกมันจะมีเชื่อของสัพท์ของมานุษย์มาจากที่ไหนความเกิดก็คือเรื่องของจิตที่ยังมีกรรมมีมกิเลสมีปัญหามีอุปาทานยังเหน่อยความราสารสางให้สะอาดให้หมดจบเหมือนกันกับครืช ทีเรายังไม่าำให้สุกมาเดือเผามาเดือดตมมเดือดมึเนี่ยเราไปหวานเลยแต่ฐานที่ใดมันก็งอกขึ้นเกิดขึ้นตกลงใส่ในที่สูงก็งอกขึ้นในที่สูงตกลงที่ในที่ต่าก็งอกขึ้นในที่ต่ําเพื่อที่มีอย่างเป็นอย่างนั้นชั้นใดจิตใจของพวกเราท่านมันไม่ตาย มันจึงมีการเกิดอีกเกิดในที่ต่ำๆทสูงตามผลข้องกรรมที่เราทําเอาไว้มันไม่เคยตายมาแต่ไหนแต่ไรเมื่อมันบริสุทธิ์หมดจากอย่างทั้งมันมันก็ไม่ทายอีกแต่มันไม่เกิดม้นไม่ตายถ้าตายจะมีพาสิทธิ์รับรองทําไมายว่ะมิธานังจารังสุขขัง ดังใจสิ่งที่เป็นทิพเป็นภัยสิ่งที่เป็นเชื่อให้เกิดวิเวทตัญหาให้เกิดทุกเกิดแติเกิดพบต่างๆในเรื่องของจิตที่บริสุทธิจริงจังมันไม่ตายผู้ปฏิบัติเห็นได้ทราบได้เข้าใจเองมีการปฏิบัติทำไม่ไปที่ปฏิบัติที่อื่นที่เจรนาที่อื่น พิเยนาะดูเปล่อกของตัวือเที่ยวถึงทั้งโลกพิเย น, ะนาเห็นไหมนอนลงไปมันเหลืองอะไรมันติดอะไรมันกลัวอะไรมันสําคัญมันหมายอะไรมเมื่อมันเหน่ตายจะไปกลัว ท, ทําไมกินที่ตายมันตัตายใจตามหนาผีของมันอะไรเป็นผีนอกจากความสําคันมันหมาย ของจิตของใจเท่านั้นไม่มีอะไรเป็นผีเป็นสงา ง, างาาวา ค, ความ ค, ค, าคล่ค อ, งคคองคันของใจเท่านั้นไปนั่นไหน่ะผีวาบุคคลความจริงสิ่งที่น่ากลัวสิ่งโลกเบากลัวกันก็กืัวสิ่งที่มีตัวมีตนเช่นคนสัตว์น่ากลัวจริงๆริงจังจัง่งเหล่านี้พอมันตีมันฆ่นามันดุนบันดา นั้นทําลายร่างกายได้เพื่อนสิ่ที่มันี้นตัวต้มต่างๆเราอย่าไปเตัวมันเพามันทําอะไรเราใน่ได้พยายารรมพิจารณาทำนะภายในใจอย่าให้ใจคิดอย่าให้ใจติดใจข้องอย่าให้ใจจุในสิ่งภายในออกพอแยกออกไปมีสติแงสอนเตัวอหลับใจ ไปในทางผิดในใจไปในทางผิดถูกวบคุมเข้ามาพิจารณาใครไหททำความสงบให้ได้ถ้าสงบอยู่พิจารณาอยู่ไม่ลืมหลงสันดาที่เกิดขึ้นจงมา๋่ามันจะไปเพั่ออะไรความจริงมันเป็นอย่างไรเข้าใจรูอแจอ้งอย่างนั้น นี ierung, ja, na, earth, ่คือการพิจาาสัญเรื่องหลอกลวงคือกิเลสัญหาอารมณ์ัญญาต่างๆพิจาาภายในกายใจท้องเตือทงหมดถ้าเราไม่ล่มหลงตลื้ของเราแล้วเราจะมีอะไรลืมหลงถึนจะเห็นพเจาาเข้ามาภายในที่เรนา ถ้าพิจารณาขันะเป็นพิจนะารณาอธิธรรมเพืจะทําจิตของตนให้ยิ่งในลืมหลงในเมัวเมาในติดข้องทุกอย่างมันมีเส้นบือนภายในตัวไม่ว่าสายชั่วสายดีมันมีเส้นบือนทั้งนั้นแต่เราจะแยกแยะพิณิพจน์มา เ, นะเอาความชั่ว หนีไปรักษาความดีเอาไว้เพื่อจะเป็นความสุขความสบายนั้นมันอาศัยสติอาศัยปัญญาอาศัยศรัทธาอาศัยความเพียรในช่วงเวลามันจะเป็นไปเองธรรมดามนุษย์อยู่ทุ้ชนทั่วไปก็เหมือนกับเผื่กับมันซึ่งยังมต้มไม่เดดเผาลดของมัน เบื่อเมาแในหน้าคินใครไปทางเข้าเส้นก้อยเส้นมันเผื่ออย่างนี้จะเป็นพิษเป็นภัยเสียธาตุเสขังของตัวนี่คือคนไปทานบิดๆในทำเหตุสุดเชี่ยก่อนแต่พอเราไปเผาไปต้มรบที่เป็นพิษเป็นภัยมันหมดไปแต่รบ ที man, ่นอร่ร่อที่เป็นประโยชน์แกถาดขันก็มันไปหานาจากที่อื่นมันอยู่ในนั้นจะทานเท่าไรก็หมดเป็นพิษเป็นไครเป็นประโยชน์ตแกร่างกายของผู้รับทานใช่อีกฉันใดเรื่องกายเรื่อใจของเราก็ทำงานเดียวกันมันเหมือนขวกมันที่ยังมีต้นเลยเผาเรามา พักผ่อนภาวานาสำา่าสสารกิเลตก็คือมาแผดเผามาเอาตาตาคือสติปัญญาที่จะเามาเผาสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยเป็นกิเลสปัญหาออกจากใจท้องตัวหายใจหมดความเชื่อความเสียที่เป็นพิษเป็นภัยและความสงบเยน็นในต่อใจหามาจากที่ไหนหมดพิษภัย ส่วนนั้นนั้นหมดไปความสงบเยน็นนั้นต่อเกิดขึ้นเหมือ น, นกันกับเถื่อนันที่ต้มฝึกแล้วพิษไทยคือนั้นมีต่อทาต่อขันมันดับไปหมดไปเหลือตงแต่รสชาติที่อริดอร่อยเท่านั้นใจของท่านคูบอบริสุทธิ์ใจของท่านคือถูกตาตาแผดเผา กิเลสปัญหาไปหมดแล้วก็ทำงานเดียวกันได้สุดผุดผ่องจะคิดจะนึกจะพูดจะทำอะไรไม่มีอะไรที่จะทำให้ขุนเนือใส่ามองไม่มีอะไรจะสงสัยว่าทำไมจิตจึงเป็นอย่างนี้แต่สพพบลูกเสียงต่างๆจิตวันไวเ้เอนเอียงไปตามเรื่งองที่พบที่เห็นที่ได้ยินได้ฟังหรนะืนไม ท<บ>ราบดีว่าจิตที่บริสุทธิ์ทั้งตนไม่มีอะไรที่จะตังวลอีกจะละจะบําเพ็ญหน่รยมีพอทำถึงขี่คือมันสุกเต็มที่แล้วเหมือนกันกับเถื่อนมันหรือผลผลถิ่ทํารสุกแล้วจะไปขึ้นต้อวางที่ไหนไม่มีเกิดอีกเชื่อใจได้นี่คือจิตใจ สงบจิตใจเป็นอาจเป็นธรรมแต่จะเป็นไปหน้ก็ต้องอาศัยความผาดเพียพลิญาาสติปัญญาที่วิจารณาภายในตอบสืบค้นคิดเพื่อแจ้ไขสิ่งที่ใจติดข้องให้รู้เห็นตามเป็นจริงเข้ามาทุกคน แจะต้องเคยประสบพบมาเหยุดจิตใจขี่บ่าวุ่นจิตใจไม่สงบเบื่อร้อนวุ่นวายติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆทำไมสิ่งเหล่านี้ก่อจะมีทางเดินคลองจิตที่จะราาสิ่งเหล่านี้ตามเป็นจีงคล้องมันเป็นธรรมะ คือความสงบเยือกเย็นเกิดขึ้นเห็นใสจักว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างนั้นความบริสุทธิดเป็นอย่างนี้ไม่มีทางสคร่งใสอยู่กับโลกแต่ในจิดในโลกเยือก เ, เ, เย็นเป็นสุขนี่นคือสูตรของคือปฏิบัติสูตรนี้พิ่จะนามารำเราทุกสึ่งทุกอย่าง ขีตาเหวนหูได้ยินเมื่อจิตเป็นธรรมก็เป็นธรรมไปหมดไม่มีอะไรที่จะเป็นเล่ห์ทำให้จิตทำให้ใจว่ายุ่งลุ่มหลงเพราะจิตเปวนใหญ่เป็นธรรมไปแล้วเหนื่อยกันกับแม่น้านานําสายต่างๆเนื้อไหลลงสู่มหาสมุทรเช่นไปหม ด, มหมดจะมาจากทิศใดทางใดจะใสจากคุณจะ จุดสนิตขนาดไหนเมื่อไหลลงไปส่วนใหญ่คือทะเลเนนานเขนเดีวยวกันจิตใจของเราท่รรานกว่านนั้นถ้าจิตใจเป็นจากิเลสตัญหาอาริชาวปาทานถึงธรรมะที่พระพุทธเจ้าจแสดงไว้จะเป็นของกินแค่ไหนมันก็เป็นกิเลสเพราะจิตของเราเป็นกิเลสถ้หา จิตของเราเป็นธรรมไปเห็นอะไรทั่วไปมันจึงเป็นธรรมไปหมดความําคัญมันอยู่ที่จิตไม่ได้อยู่ที่อื่นยิ่งที่จะมาจิตธรรมาจิตทุกคนได้ยินได้ฟังกันมาและทราบว่ามีจิตแต่ไม่เคยเห็นจิตจิตเป็นอย่างไรตัวเป็นของมันเป็นนามธรรมไม่สามารถที่จะหยิบยกให้คนอื่นดูได้ แต่ก็ขนาดดีว่ามีในตัวของเราอะไรเล่าที่จะเข้าไปเห็นจินอกจากปัญญาจเป็ น, า, นมามาทำเน้นกันละเอียดเน้นกันเข้าไปเห็นไปจากชัดเจนเน้นตาเนื้อเหนวัตถุในอย่างนั้นจะในรับรองไม่เข้าใจว่าความบริสุทธิ์ยมุดมีพระ เม่เห็นมีทรามเห็นโดยปัญญาของท่า น, นาเมื่อจิตสงบท่านก็เคยรู้จักเมื่อจินละเอียดท่านก็เคยรู้จักเคยจน เ, เ, เคยเห็นมาก่อนเมื่อความบริสุทธิ์เป็นมีมุดยิงจางท่านก็เครู้จากอีกไม่มีอะไรปกปิดกัมบังจะต้องรู้ต้องเข้าใจถึงนี่ยมีใครรับรองท่านต้องท้าบดี จะทำอากาศจิวิยาอยางโลกเขาก็ทำได้แต่สิงเหล่านั้นมันจะเป็นไปเดียวไหมถ้าผูกเป็นผิวหนงภายในในมีทางสองสัยว่าใจที่บริสุทธิ์จะเป็นโลกอีกนี่คืออามีสงของการประพฤติปฏิบัติหนึ่เป็นอย่างนั้น ท่านจหึหบักสุขะโตอยู่ก่าสุขะโตไปกับสุขะโตมันมีทุกข์เราทั้งหลายจะไม่เต็ย่างนั้นจึงพากันรีดเร่งความแข็งที่นิพจนมาอยัดไกยรั้นเวลาให้เป็นหนังเป็ น, นโมคะยายามรักษาพยายามติดตามพยายามแก้ไข ดูภายในอย่าดูนอกดูอยู่เรื่อยๆจ้องมอยเรื่อยๆใจจะของจะใสใจจะสงบมีพลัสอบไปนอกสงบไปทลากันเลยวมีความอิมคามพอเหมือนกันกับอาหารเราส่ออกนอกปากในเข้าไปในปากในท้องของเราจะมีมากขนาดไหนมันก็ไอิม่มฮะ หากเราส่งเข้ามาในปากทั้งเราส่งเข้ามาภายในมันจะมีรัอิม่มมันพ อ, อู่การพิจรณากับเนื้อเกันหากเราพิจารณาภายในดูกายดูใจทุกตนพิจารณาตามอัดตามทำถือพระพุทธเจ้าทงแนะนำสั่งสอนจะพิจารณาให้เป็นสมาะใหใจสงบก็พิจารณาได้กำหนดได้ จะพิจารณาเป็นยี่ปัจฉนาให้เกิดปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งต่างๆก็พิจารณาได้เรามีสิทธิ์ที่จะปฏิบัติอย่างเช่นพระพุทธเจ้าปฏิบ้มีธรรมไปแล้วหากหามักผล ห, หนีคนที่เกิดสุดท้าทภายหลังไม่มีโอกาสที่จะประสบพบเห็น เห็นสมาธิปัญญาวิชาริมุขมาเป็นอย่างนั้นท่านปรินิพานไปแล้วสาวกประพฤติปฏิบัติอย่งวิเห็นนักผลนับไม่ได้คุยอาจารย์จะไหมปัจจุบันที่ท่านจานาต่างตาบำเพ็ญภาวนาราชิฤทธิท่านจะเห็นอนนี้ส่พระนิพานอยู่ที่ไหนจะได้ถามใครถ้าเห็นไปถามดีกว่าคือไหนเห็นคนเห็นแล้วไหนถาม พอเห็นอยู่จะไปถามทาไมเหตุเรื่องสงสัยท่องใจทายาทเจนเต็มในเห็นภายในมันจะมีเรื่องของใจสงสัยจิตเหตที่เจนเยื่อ่อดไปพอเห็นความสงบทองใจล่อยวางลาถอนกิเลสเป็นคาิกะอุปจาระอัปมาสตฺตามเพียงขันสมาธิที่จิตสงบลังนับดับอารมณ์สัญญาได้ ก็ภาคภักดิ์พอเข้าใจแต่มักผลยังมีอยู่เราทําขนาดนี้ยังเห็นความสุขความสบายอาจจะจำหลังผู้ที่ท่านประพฤติปฏิบัติท่านต้องเห็นต้องเป็นท่านไม่เห็นไม่เป็นท่านจะอยู่ทําไมจะปฏิบัติทำไมให้เสียเวลาให้ลาบากทุกอห่างนี่ท่านต้องเห็นต้องเป็นท่านต้องมีความสุข ความสบายของท่านเช่นทำดูปาทุกยากลำบากอาหารกลางคบฉันเช่นใา้ต่างๆที่อยู่ที่อาศัยในหรู้หล้าในหน้ดูในหน้าดูแต่เหตุใดท่านจึงดูได้ท่านจึงเป็นสุขก็เพราะใจของท่านได้อยู่กับ เรื่องอาบนิพพายนอกทำอดู่กับเรื่องของธรรมที่นั้นสงบเยือกเย็นที่จงมาภายในสะดวกสบายอาหารของกายเรื่อในถือเป็นเรื่องสาคัญเท่าอาหารทค่องใจมีน้อยถึงผูวต่างหน้าต่างตาเพื่อปฏิบัติมันสะดวกสบายมันไมมีอะไรวุ่นวายก่อเกลื่น ถึงจะเพิ่งยากลำบากส่วนของใาแต่คุณค่าสาละของใจนั้นได้าจากที่อย่างนั้นท่านก็อยู่ไปยื่นผู้ประพฤติปฏิบัติได้ก็มีความสุขความใจเสดในเหงื่อในคิดในจิตในขว้างัะเหงื่อหนอกเลยเป็นสุข พระยากรบบินท่านเคยเป็นกษัตริย์มาก่อนตอนเป็นกษัตริย์โลกสมมติทั่วไปในว่าสมัยพุทธกาลหรือสมัยปัจจุบันการเป็นกษัตริย์คนเราท่านที่มีชี่เลียงตรหากป็นนิยมชมชอบแต่มียศสูงสุดเป็นเทศขวามนุษเป็นี่ดบาปธนา ของคนทั่วไปที่มีใจผิดข้องในโลกอยากจะเต็นใหญ่เต็นโตมีเดาฐารดาสัต์อย่างนั้นแต่เมื่อท่านเป็นกษัตริย์ท่า น, น ก, ก็านกสกาบดีความสุขความสบายความเป็นมาของกษัตริย์แต่ท่านมลยยินดีเต็มใจในความเป็นยู่เส่นนั้นออกไปเบือกประเภทแต่จีบัด หมดภาละหนที่ในการละการบําเพ็ญข้องใจมีความสุขไรเสดหรือเสดจึงไม่เคยเห็นเคยเจอมาก่อนท่านไปนั่งไปนอนไปพักแไปอาศัยถึงไหนท่านเลยเปล่งวายจาแบบสุขหนอสุขหนอถ้าผู่ชุมชนคนหนาไปเห็นเท่าก็เลยน้ำ บ่องราวไปฟ้องพระพุทธเจ้าหลัพยากรณ์คงจะคิดเห็นอารมณ์ก่อนหลตอนเป็นกษัตริย์มีความสุขความสบายอย่างนั้นล้วไปนั่งดูที่ใดตามใบไม้ไฟเผ า, าตัวมัดเสื่มายาสุขหนอสุขหนอคงจะคิดถึงอารมณ์เก่าอดีตที่ผ่านนะพระพุทธเจ้าเรียกเขาไปถาม จิ้เหรือเป็นวิทำอย่างนั้นจิงมหรือท่านก็รับรองทําไม่ท่เป็นอย่างนั้นแต่ก่อนตากับผนเป็นกระสักลำบากทุกยากในการคอบครอรักษาไ่ฟ้าประชาเชนรักษาเชบัตรของคนยินจิตจิ้ในบริษัทบริการ ในการถูอจะเหตุเพราะเป็นสุขเถื่หนมีความลำบากลำคาในการเถ่นบินนอกจากนั้นยังเต็งกลียวข่าสุขประตูจากประเทศต่างๆจะมียแย่งชิงล่าเครื่องแบของตัวไม่มีความสุขความสบายแต่เวล า, า, ออาที่ข่าพระเออ์มาบวชประพฤตปฏิบัตหยุดใจโดยรู้เห็น มนทำด้วยในตามเป็นจริงแล้วอยู่ลรถมา้าก่อตามอยู่สาวเขาก่อตามอยู่ที่ไหนก่อตามจิตของข่าพระองค์เป็นสุดข่าพระองค์จึงเด่เป็นกว่าออ ส, สุดห้อสุดหมอไม่ใช่ข่าพระองค์สิดถึงอาธีตาลมคืออารมณ์ของอดีตนี่พยาจะยณนตอบพระพุทธเจ้าทูลพระพุทธเจ้าอย่างนั้นใจองท่านถือได้ดสุธ์อยู่สถานถือใดทถ้ามีความสุข เลยตอไปหาอะไรเพิ่มเติมให้มันสุกมันสบายของมันเองถ้าหากมันถึงฉีดถึงขัานของมันเหมือนกันกับผลามาให้เช่นที่เดียมเมื่อมันสุกเต็มที่ในตอบไปหามันตามที่ไหนมาเพิ่มมนใส่มันหวานมันหวานของมันมันง่งกว่าเหมือนกันมันเท้าก็เหมือนกัน มื่มันแก่เป็นทีม่มันเองไม่ต้องไปหามั น, นที่อื่นในจิตของเกิดเราทันกับธรรมเนองเดียวกันเมื่อมันถึงที่ของมันความสุขความสงบไม่ต้องไปเหยียดหามันเกิดขึ้นเป็นขึ้นเห็นขึ้นจากการกระทำของตนเหเุจึงเป็นเรื่องสําคัญที่จะยังผลมนให้เราตั้ ง, งใจ พยายามรักษาภาวนาลาคะิลเลสความสุข ค, ความสบายความสงบเย็กเย็นมันจะเกิดขึ้นพอเราหมดความขวายเรื่องกิเลสปัญหามนะาแข็งเผาเรานี่แต่สังวาสาสั ม, มันออกไปมันจบไปมันหมดไปได้ไม่เหลือวิสัยถ้าเหือวิสัยไม้มีใครที่จะไปพิจปฏิบัติ นื่เห็นเต็นขึ้นนี่ใจะใจเต็มอยู่ในจีตเรศปัญหาทั่วหนากันนี่คือบเคคลปฏิบัติถังละได้ถอนได้ถ้ามีความสุขได้เพราะถงละถังถอนสิ่งเหล่านั้นยิ่งพิยามทำกันอย่าไปอ่านการอ่างเวลาอย่าไปหาที่อื่นธรรมะหาดูที่ ใจตื่ใจข้างตนที่เจอนาภายในหน้าเข้าใจของเราจะสงบถ้าไปคิดตึงเรื่องนอกเท่าไรใจจะยุ่งยุ่งถ้ามันเกี่ยวกกาะข้องจิตในสิ่งภายนอกเหมือนเป้นน้ำถ้ามันเกาะเปนอื่นมันติดต้นอื่นถึงเรา ขาดลงไปมันก็จะล้มในลงพื้นดินเพรอมันติดมันคว่ำที่ไหนมันติดมันคว่ำเราไปตัดออกเสียล้วก็ตัดต่งขวกมันมันก็พังลงมาเองแต่อไปดินมันก็พังทำมันขาดในวิธีเกาะพยายามพิจาราภายในไม่มีอะไรที่จะเป็นสุขกว่าการ ภาวนาละจิเลตพระพุทเจ้าหรือสายวกท่านเคยเห็นเคยเป็นไหแล้วความสุขขงโลกเป็นอย่างไรคือโลกติดกันท่านก็เคยไปสืบพบมาความสุขของการละจิเลตเป็นหาเป็นอย่างไรท่านก็เห็นอีกเมื่อท่านเห็นทั้งสองฝ่ายอะไรมันดีหรือเสกต่อกันท่าน ตัวที่อันนั้นท่านจึงมาแนะ่ยนำถ้ำสอนพวกเราจากการละที่เลิดละความชั่วดําเพินจิตให้สงบมีความสุขความปลอยเสื่อยิ่งกว่าสิ่งทั่วไปถ้าเราทราบอยากจะมีความสุขความสงบอย่างท่านก็อย่าไปมัวมเมาเป่าฝันคิดตึงเรื่องนอกพยายามที่จะนาภายในในมีอะไรในโลก คื่จะมาเดินดําดานให้ตัวของเราได้นัได้ผลนอกจากเต็ท่องเต็มจพืชจัี้บัดแล้สทั้งหมดในโลกก็นม้น่าาปทาของจิลเรนอกจากเราไปจิไปของไปยึดไปถือหากพิจราดูตามอัตตามธรรมไม่มีอะไรที่น่าสงสัยมันมีอะไรเป็นของใหม่ไม่มี โลกอันนี้เกิดมานับกี่แสนกี่ล้านทีกับปัจจุบันมันก็เหมือนกันจริง่เขาเห็นเขาเป็นขึ้นใหม่อย่าไปเข้าใจว่ามันเป็นข้อใหม่เอาข้อเก่าทั้งนั้นมาทํากันแต่เขาเห็นใหม่เขาบอกถือว่าเป็นข้อใหม่ความกินเป็นข้อเก่าแต่คนทําขึ้นได้ใหม่ก็ว่าเป็นข้อใหม่ อย่างมากเรื่องผลข้องใจจะทำงาดียกันพระพุทธเจ้าจึงว่าธรรมเกิดมาแต่ไหนแต่ไรแต่ไม่มีใครสามารถที่จะนำธรรมนั้นมาประเพืต่ปีบัดใหจิตให้ใจเท่งตนได้รับมารับผลต่อเมื่อพระพุทธเจ้าอุดดักขึ้นประเพื่อแต่ปีบัดคือดดจอ ร, ริงท้งเพืยอนมันก็มีอยู่ อริยสัจทั้งสี่ทุกนั้นไม่ใช่หรือพระพุทธเจ้าจะไม่เกิดแต่ยังมีอยู่ทุกของจริงพระพุทธเจ้าแต่ชีวิแล้วทุกนั้นก็ยังมีอยู่แต่ริมีฐานแล้วทุกก็ยังอะไรมันบาปมันหมดไปสมุทัยสิ่งที่จะให้ใจเกิดทุกมันก็มีเหมือนกัน ไม่ใช่หรอพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติไปแล้วสมุทัยมันดับไปน่ะมันดับแต่ในพระไทยท่องท่านแต่พวกเราคือยังไม่ปฏิบัติมันยังมีอยู่ตามมาปัญหาเพระาะปัญหายิ่งเพราะว่าปัญหาความอยากเพย์พยายามในการหยดเสียงปุ่นลถสัมผัสต่างๆมันมีนะหยดกา ม, มาปัญหา ทำไมมน ท, ทุกก่อทุกข์กใครใน้จ็จิตจใจก็เพราะคนอยากให้ห า, าทไมได้ตามปารธนามันก็เกิดทุกข์ได้นะอยากเจริญคงเส้นคงวามันไม่เป็ น, น, ใ น, ในเพื่อนมันก็เกิดทุกข์จรงๆแล้วปาร์เธนาเส่นความแก่หน้ไ ม, ม่ชอบใจในอวัยวะ นบงสิ่งางอย่างเนผมอยากจะให้มันโดกบันดตลอดเวลาตาจะจะให้มันพว่างสบายจะมันไม่เต็มไปตามตานาไม่ได้อยากจะให้มันเสียมาแะต็มห้องตัวเย่ว่ายึเพราะปัญหาหาสิ่งที่ไม่มีหาตลอดตานตายมันก็ไเจอเมื่อมันไม่เจอไม่ได้มันก็เกิดทุกข์ขึ้นนี่คือสมุทย คือจะเป็นทุกข์ของใจทำาหรอถ้านยพี่เจนะตามเป็นจริงของงานไทยเห็นตามเป็นจริงสิ่งเหล่านี้มันมีมีพิษไม่ภัยอะไรมันเป็นจริงอย่างไรแต่เห็นอย่างนั้นมีรเนีเราพี่เจนะยิตใจเห็นแจ้งกระจัดไมีอะไรทงกข์ใส่ไม่มีอะไร ที่จะข่างจิดในจิตในใจเข้าใจตามเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างดับความสำคัญมั่นหมายได้ไม่มีอะไรจะเป็นพิษเป็นภัยในจิตในใจทั้งตนมีรอดถึงจังว่าดับทุกได้ชนิดนั้นดับอย่างไรเพื่อเพื่อปฏิบัต เนี่เห็นทุกข์ตามเป็นจริงห้าอฮะสมุทัยได้มีโลภความดับทุกข้องใจเป็นอย่างไรไม่ตับไปถามใครจะทราบโดยตัวเองเพราะตัวเห็นตัวเป็นมันมีอยู่ที่ไหนกน ม, มีอยู่ในกายในใจของเราทุกสมุทัย ม, มีอยู่ที่ใดมักมีโลภมัน ม, มีอยู่ที่นั้น